พระธรรมเทศนาแผ่นที่89าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19พฤศ จ, จิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนทั้งสองของเรา วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันพรุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ไปแสดงธรรมที่เจริญโฮเต็นเขานัดที่เจริญโฮเ็นคือวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลอุดรธานีวิทยาลัยที่พระบรมราชชนนีเป็น ผู้อุปรรมนะหลวงพ่อก็เคยมอบรถบัสไปทอดผ้าป่าซื้อรถบัสให้เขาคันหนึ่งเหมือนกันนะราคาตั้งห้าล้านรถบัสเขาแก่เก่าแก่ใช้มารถบัสเล็กในหลวงพ่อนักพยาบาลก็ทั้งทั่วประเทศตั้ง200กว่าแต่งานกระถินเมื่อกี้เนี่ ทางหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าใหญ่เขาคนมาเสนอเข้ามาว่าจะให้พยาบาลมาช่วยอะไรหลวงพ่อก็เออเอาเห็นสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ไปคุยกับคณะกรรมการกันแล้วกันนะถามว่าคณะกรรมการต้องการจะมาให้ช่วยอะไรก็ก็ดีมันกันทนะี่เสนอเข้ามาพอหลวงพ่อก็ได้ไปช่วยทางโรงพยาบาลลูกหลานไว้อยู่ ลูกหลานเมื่อเขาเช่นนี้ก็ควรจะมาช่วยหลวงพอ่อเหมือนกันนะลูกหลานน่ะทีนี้นเขาก็มาช่วยด้วยความเต็มอกเต็มใจเมื่อวันงานพยาบาลมาช่วยเยอะเลยมาเสิร์ฟน้าําบังมาวัดคนไข้บลวงพ่อคนไข้หมอมาจากโรงพยาบาลต่างๆเพราะพระองค์โสมท่านก็นัดให้พี่น้องประชาชนมาตรวจสุขภาพรวยในวันนั้น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาแต่ก็นเนี่ยพยาบาลเนี่ยนะเป็นกำลังหลักช่วยดูแลเพราะนั้นวันพุ่งนี้เขาก็นัดประชุมกันเรื่องอบรมจริยธรรมเขาก็มองเห็นหลวงพ่อดีแต่จะไปอ บ, อบรมลกรูกหลานแล้วก็พร้อมกันในพรรษานในก่อนพรรษาเขาเขามาสามกลุ่มนะสามกลุ่มใหญ่ เข้ามาพักค้างที่วัดหลวงพ่อเพื่ออบรมจริยธรรมมาอยู่วัดวาศาสานาหลวงพ่อก็ได้พูดได้แจกหนังสือ m อ3มสาให้กับลูกหลานพิทยาลัยพยาบาลจากนั้นเขาก็มาทยอยมาบ่อยอยู่แต่คราวนี้ก็นนิมนต์หลวงพ่อไปแสดงธรรมวันพรุ่งนี้ ตอนบ่ายโมงคหลวงพ่อก็เลยรับ ม, มีอะไรก็คงจะไปพูดพูดให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังควรปฏิบัติตนอย่างไรในชุมชนสังคมประเทศชาติจึงจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนไม่มีจริยธรรมที่ดีไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมโลกทั้งโลกมีแต่ความเดือดร้อนอย่างพวกเราท่านทางหลายได้เห็นเรื่องจริยธรรมคานี้แหละ ห่างเหินออกจากโลกไปเรื่อยๆ เ, เพราะอะไรเพราะคนมันมากเราพูดอย่างนั้นได้เพราะคนมันมากการแข่งแย่งกันการชิงดีชิงเด่นกันการเอารัดเอาเปรียบกันกิเลสลาะขะาโากมักกิเลสโทสะโกมากกิเลสโมหะโกมักผลที่สุดก็เลยเอากิเลสต่อกิเลสมาสหากันสังหัดสังหารกัน มาตลุมบอลกันกิเลสกิเลสมีแตรทำโลกทั้งโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายกิเลสไนมะ่ทําให้โลกร่มเย็นเป็นสุขนะคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานม่แต่ศีลธรรมจริยธรรมเท่านนะั้นอ่ะจะทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเรื่องกิเลสและมีแ ต, แต่ทําให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่เผาไหม้กัน ผู้ใหญ่ก็กิเลสใหญ่ผู้น้อยก็กิเลสน้อยอต่างคนก็ต่างเอาไฟคนละดุลละดุนมาสมใส่กันใครคิดว่ามันจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่ละมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายผลที่สุดเอาต่อหน้าไม่ได้ก็เอารับหลังมันกิเลสเลอผู้ใหญ่คคิดว่ามีอำนาจกูไม่กลัวใคร แต่ผู้น้อยก็กลัวอยู่ต่อหน้าแต่รับหลังมันไม่กลัวเนี่ยผลที่สุดกันนั่นกิเลสมันเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นมีธรรมในใจแล้วถึงจะทำในที่รับถึงจะทำในที่แจ้งถึงจะเป็นผู้ใหญ่ถึงจะเป็นผู้น้อยอมีปากมีท้องเหมือนกันหิวกระหายเหมือนกันเราเกิดมาในโลกควรจะเฉลือเผื่อแพร่กัน ในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ควรจะเผื่อแผ่ผู้น้อยอย่างไรในเมื่อผู้น้อยก็เหมือนกันเราเป็นผู้น้อยกำลังไม่มีเราก็ควรจะสนับสนุนผู้ใหญ่อย่างไรต่างคนต่างเอือ้อเฟือเอือ้ออารีต่อกันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าโลกทั้งโลกมีแต่โลภโหมกนะมีแต่โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะเข้าหากันอย่าหวังเลยโลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่เรือร้อนวุ่นวาย ทั่วทุกหัวละแห่งเพราะนั้นศิลธรรมศิลธรรมจริยธรรมคำนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นะท้งนี้ทางนั้นที่ได้ยินหลวงพ่อพูดบางทีจะขวางหูพวกเรานะเพราะเหตุไรเพราะกิเลสมันไม่ชอบคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรม ถ้าทำอย่างนั้นเราก็เสียเปรียบเขาเลยสินะเราจะทำงไงเราเสียเปรียบเขาทั้งรุ่นนะสิถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อพูดในหลักธรรมคาสอนท่านบอกว่าก่อนที่จะให้คนอื่นดีเราต้องทําดีให้คนอื่นดูอะพ่อแม่อยากจะให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูถ้าครูบาอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำมาดีให้ลูกศิษย์ดูอ ะ, อะ ผู้ใหญ่ต้องทํอาอต้องทําดีให้พวกน้องๆ พ, พวกใต้บังคับบัญชาดูฮะไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เท่าไหร่ทําชั่วเสียหายอยากให้ลูกน้องทําดีมันได้อย่างไงถ้ามันผิดพิสัยเพราะนั้นก่อนที่จะทําให้ก่อนที่จะให้คนอื่นดีต้องเราต้องดีซะก่อนให้นับหนึ่งจากเรา การสร้างคุณงามความดีการทำคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากเราเราต้องเป็นคนดีเราต้องคิดดีทำดีพูดดีเราต้องเป็นพระที่ดีอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยในเมื่อเราเป็นคนดีแล้วคนที่สองก็นะ่ยเป็นคนดีอีกคนที่สามก็เป็นคนดีอีกห้คนที่ไม่ดีก็เป็นตรงว่า พอทุกคนให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าหนึ 1> 1่งบวกหนึ 1> 1่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไปเรื่อยมันก็มากไปเองทแต่คงเราทุกคนตัวเองก็อยากจะให้คนอื่นทําดีแต่ตัวเองก็ไม่ทําดีอสิ่งนี้นที่มันชั่วตัวเองทำหมดแต่คนอื่นอยากจะให้คนอื่นทำดีมันจะทําดีได้ยังไงเพราะตัวเองก็ยังทําไม่ดีมีแต่ท้องบุง้งท้องบุ้งเหล็กท้องบุ้งกระดาษทรายนะ จะไปขัดถ้าคนอื่นให้เขาเรียบร่าบตัวเองครุขลานะ่จะเป็นดีได้อย่างไรเพราะนั้นให้ทุกเราทุกคนนะถึงใครจะไม่ดีขนาดไหนก็ตามตัวเองนะต้องเป็นคนมีศีลห้าก็แล้วกันศีลห้านี่แหละศีลคุ้มคลองโลกถ้าคนมีศีลห้าแล้วไม่ติดคุกไม่ติดตารางในในเพื่อนมนุษยชาติ น, นะถ้าติดคุกติดตารางกับแบบขอหาเรื่องใส่ตนเอง หาเรื่องใสเอือนั้นบาปกรรมเก่าในอดีตชาติของเราคงจะหาเรื่องหาเราใสเขามาก่อนพอเกิดมาชาตินี้เรามีศีลห้าทแท้คนยังหาเรื่องใสเราให้เราติดคุกติดตารางได้บอบบาปกรรมของเราในอดีตเราต้องคิดอย่างนั้นไปอีกนะเพราะคนบางคนก็อย่างว่าไม่ได้ทำอะไรในครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีไปรักษาศีลจากวัดมาบัดบัด เดินมาเดินออกมาจากวัดภายของที่นอนหมอนมงุงอิลุงตุงนังพวกนักเลงเขาไปป่นบ้านป้นเมืองอยู่ในเมืองเขากาลังตามมาหมาดหมาร้อนร้อนเห็นแต่ตาแก่นี่ยกำลังเดินออกไปจากวัดมีตะผ้าหผมตะพายออกไปไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอะไรอันนี้ละลนะมัน ขโมยออกไปหมาดๆเนี่ยทำท่าเนี่ยไม่รู้ว่าสอกไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าตะพดเนี่ยตีจนตายอ่ยพอตายแล้วจะทำยังไงพอดูแลคนออกไปจากวัดไปรักษาศีลออกไปจากวัดพระพุทธเจ้ากรรมกรรมเขาในอดีตชาติเขาเคยหาเรื่องใส่คนอื่นแล้วก็เคยเคยทำอย่างนี้กับคนอื่นมานั่นแหละกรรมนั้นตามสนองฮะเออ ตอนี้ท่าเราทิ้งโยนไปหากรรมอีกเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องเขาจะจับไหมใส่โทษในปัจจุบันอันนั้นก็นเป็นเรื่องของโลกไปแต่พระองค์บอกว่ากรรมในอดีตของเขาเขาเคยทําอย่างนี้มานนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาก็เคยมีเหมือนกันนะคณะทศไทยญาติโยมทั้งที่เราเป็นคนดีคนหาเรื่องใส่ติดคุกติดตารางก็มีมีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ท่านได้ตรัสได้พูดเอาไว้อันนั้นเป็นกรรมเก่าอะ แต่ทึงยังไงก็ตามในปัจจุบันในสิ่งที่เราได้ศึกษาได้ฟังธรรมคำสอนได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสที่เราเชื่อถือถึงยังไงครูบาอาจารย์คงไม่ต้มไม่ตุนเราแน่และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้ฟังดูแล้วด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้ววิเคราะห์ด้วยสติปัญญาของเราเท่าทีมีเนะเราก็เป็นหลักธรรมคาสอนที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นหลักธรรมคาสอนที่ทำให้ถ้าปฏิบัติได้โลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นจุกไม่เดือดร้อนมีแต่อยู่ด้วยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ไวใจกัน เพราะไรเพราะเพราะศีลธรรมคุ้มครองนี่แหละศีลธรรมของพระพุทธศาสนาในคุ้มครองในปัจจุบันไม่ติดคุกไม่ติดตารางไม่เข้าเรือนจำเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําความชั่วเสียหายเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายกฎหมายที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาเราเคารพในกฎกติกาการอยู่ด้วยกันในเมื่อ ออกจากโลกนี้ไปเมื่อเราทําความดีความดีนั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเราติดตามพวเราไปสู่ประโลกภายภาคหน้าถ้าหาว่าเราอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ไปเลือกเกิดได้เพราะบุญกุศลที่เป็นเพื่อนสองของเรานําพาไปเกิดถ้ามบาปอกุศลความชั่วพาไปเป็นเพื่อนสองถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วเป็นเพื่อนสองพาเราไป มีแต่ไปตกนรกหลุมลึกๆนะถ้าทํากรรมชั่วมากๆนะอย่างหลวงพ่อพูดอนันตริยกรรมในหลักของพุทธศาสนาอนันตริยกรรมห้าอย่างมาตุคาาฆ่ามารดาฆ่าแม่ปีตุคาาฆ่าบิดาคือฆ่าพ่ออรหันตุคาาฆ่าพระอรหันตโลหิตตุบาตทําร้ายทําลายพระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตให้ห้ออย่างพระเทวทัต ขึ้นไปบนภูเขากิจกูดลกิ่งก้อนหินลงมามาพระพุทธเจ้าเอาฝ่าพระบาทเอาเท้ารับก้อนหินพระเราหิตให้ห้ออันนี้แหละคือเป็นบาปหนักส่วนหนึ่งแล้วก็ยุโยงยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักฝายสงก็ช่วยคูยู่ยกันดีๆแล้วก็มาแยกมายุโยงให้แตกกัน มีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้ทำให้สงแตกแยกแตกเล่าสามัคคีกันอันนั้นเป็นว่าบาปหนักบาปในหลักของพุทธศาสน า, ท, า, น า, า, น า, นาท่านบวชอันตริยกรรมอันันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาคือห้าอย่างมาตุคาตปิตุคาตอรหันตะคาตโลหิตตุบาตสังกเพทเนี่ยห้าอย่าง พะฉะนั้นถ้าว่าเราทำกรรมห้าอย่างกรรมห้าอย่างก็เป็นเพื่อนสองของเราถ้าเราตายลงไปกันนะ่ะอย่างประเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพรโรหิตให้หอดพอตายลงแผ่นดินสูบลงไปกันนะลงสู่อเวจีบานรก เ, เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ผุดได้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะบาปกรรมให้ผลถ้าว่าผู้ใดทำกรรมดีกรรมดีให้ผลก็ไปสู่สวรรค์ ไปสู่พรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเพราะกุศลเป็นเพื่อนสองนำเราไปสู่ความสุขถ้าว่าความทําความกรรมชั่วกรรมชั่วเป็นเพื่อนสองนะั้นตกทุกข์นะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นอย่าทํากรรมชั่วกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อน หลวงพ่อกล่าวแล้วพูดอีกให้กับพวกเราเพื่อไม่ให้อย่าไม่ให้เราพวกเราลืมตัวลืมตัวหลงตัวเองอถึงยังไงยังไงชีวิตของพวกเราคนน่ะนะมีจุดจบอีกสักวันหนึ่งอถ้าไม่คิดไม่คิดถึงจุดจบของชีวิตวมันจะลืมตัวนะอลืมหลงตัวว่าข้าเนี่ยเป็นใครข้าจะอยู่โชวฟ้าดินจะลายข้าจะจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินข้าจะเป็นใหญ่กว่าทุกคนน่ แต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะผลที่สุดก็นะเอาไปเผาไฟทิ้งทั้งหมดเห็นไหมคนคนก่อนรุ่นก่อนก่อนชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยของเราไปไหนหมดอ่ะไปทีละคนละคนปิดฉากไปทีละคนละคนละคนอแต่แต่สมัยอยู่กันาวางหมาดวางกล้ามฮฆ่าเป็นใครฮะผลที่สุดก็ปิดฉากไปทีละคนอย่างที่ว่านะ เนี่ยละอันนี้ไม่ไ ด, ด้ดูถูกเกียรติยาบั น, นเป็นธรรมชาติโปรดให้ฟังว่าธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาอย่าหลงตัวอย่าลืมตนให้มองไว้อยู่เสมอมลนัลนงเมภาวิสติอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายอันไหนคือคุณงามความดีที่จะทําให้ข้าพเจ้ามีความร่มเย็นเป็นถูกในหมู่ในคณะในประเทศชาติบ้านเมืองในโลกเนี่ยข้าพเจ้าควรทําสิ่งนั้นสิ่งที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทํา น่าจะคิดหรือควรจะคิดอย่างนั้นไว้ในใจนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายาต่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร